เรื่องไม้กลอนสามเรื่องสมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอาระวีช่วยกันทำการก่อสร้างภิกษุรูปหนึ่งอยู่ข้างล่างยกไม้กลอนหลังคาส่งขึ้นไปไม้กลอนหลังคาที่ภิกษุรูปที่อยู่ข้างบนรับไว้ไม่ดีพัดตกลงบนศีรษะภิกษุรูปที่อยู่ข้างล่างถึงแก่มรณภาพภิกษุรูปที่ทำไม้กลอนพัดตกลงมา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 ช่วยคันทำการก่อสร้างภิกษุรูปหนึ่งอยู่ข้างล่างยกไม้กรอนหลังคาส่งขึ้นไปภิกษุรูปที่อยู่ข้างบนมีความประสงค์จะค่าจึงปล่อยไม้กรอนหลังคาลงบนศีรษะภิกษุรูปที่อยู่ข้างล่างถึงแก่มรณภาพภิกษุรูปที่ปล่อยไม้กรอนหลังคาลงมาเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล